คุณค่าทางจริยธรรมกล่าวโดยสรุปคุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมมีดังนี้ 1. ให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผลรู้จักมองเห็นการกระทำและผลการกระทำตามแนวทางของเหตุปัจจัยไม่เชื่อสิ่งงมงายตื่นข่าว เช่นเรื่องแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นคุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมข้อที่สองให้เห็นว่าผลสำเร็จที่ตนต้องการจุดหมายที่ปรารถนาจะเข้าถึงจะสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำจึงต้องพึ่งตนและทำความเพียรพยายามไม่รอคอยโชคชะตาหรือหวังผลด้วยการอ้อนวอนเส้นสวงต่อปัจจัยภายนอก คุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมข้อที่สให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองที่จะงดเว้นจากกรรมชั่วและรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยการกระทำความดีต่อเขาคุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมข้อที่4ให้ถือว่าบุคคลมีสิทธิโดยธรรมชาติที่จะทาการต่างๆเพื่อแก้ไขปรับปรุงสร้างเสริมตนเองให้ดีขึ้นไป โดยเท่าเทียมกันสามารถทําตนให้เลวลงหรือให้ดีขึ้นให้ประเสริฐจนถึงยิ่งกว่าเทวดาและพรหมได้ทุกๆคนคุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมข้อที่หให้ถือว่าคุณธรรมความสามารถความประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องวัดความซามหรือประเสริฐของมนุษย์ไม่ให้มีการแบ่งแยกโดยชาติชั้นวรณนะ คุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมข้อที่6ในแง่กรรมเก่าให้ถือเป็นบทเรียนและรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผลไม่คอยเพ่งโทษแต่ผู้อื่นมองเห็นพื้นฐานของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงและวางแผนสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ถูกต้อง คุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมข้อที่เจให้ความหวังในอนาคตสำหรับสามัญชนทั่วไปคุณค่าเหล่านี้พึงพิจารณาตามพุทธพจน์ดังต่อไปนี้ความหมายทั่วไปเช่นภิกษุทั้งหลายเจตนาเรากล่าวว่าคือกรรมบุคคลจงใจแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำดีย่อมได้ดีผู้ทำชั่ว ย่อมได้ชั่วบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมเสพผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นและทำไว้เป็นดีคนพานมีปัญญาสาม ทำกับตนเองเหมือนเป็นศัตรูย่อมทำกรรมชั่วอันให้ผลเผ็ดร้อนบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องให้อยู่เสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทาแล้วไม่ดีเลยบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเสวยผลแห่งกรรมใดด้วยหัวใจแช่มชื่นเบิกบาน กรรมนั้นทำไว้เป็นดีบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบลงมือกระทำกรรมนั้นทีเดียวพุทธพจน์เกี่ยวกับความเป็นคนมีเหตุผลไม่เชื่อถืองมงายเช่นคนพาลมีกรรมดำถึงจะแล่นไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกกะกะท่าน้ำขยา แม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสวดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีเป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะหรือแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะชำระนรชนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยแต่ผักคุณฑริกหรือเกดีเยี่ยม ย่อมสำเร็จทุกเมื่อแก่บุคคลผู้บริสุทธิ์อุโบสถก็สําเร็จทุกเมื่อแก่ผู้บริสุทธิ์วัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานสะอาดย่อมสําเร็จผลทุกเมื่อดูกระรพรามท่านจงอาบตนในคําสอนของเรานี้เถิดจงสร้างความเกษมแก่สัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่กล่าวเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทำอตินนาทานเป็นผู้มีศรัทธาหาความตระหนีไม่ได้ไสท่านจะต้องไปท่าน้ําขยะทาไมแม้น้ําดื่มของท่านก็เป็นแม่น้ําขยะแล้วถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ําชําระบาปกบเตา่านาคจระเข้และสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวไปในแม่น้ําก็จะพากันไปสู่สวรรค์แน่นอน ถ้าแม่น้ำเหล่านี้พึงนำเอาบาปที่ท่านทำไว้แล้วในการก่อนไปได้ใสแม่น้ำเหล่านี้ก็พึงนำเอาบุญของท่านไปได้ด้วยความสะอาดจะมีเพราะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนจำนวนมากพากันไปอาบก็หาไม่ผู้ใดมีสัจจะมีธรรมผู้นั้นจึงจะเป็นผู้สะอาดเป็นพรามผู้ใดไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถืออุกาบาต ไม่ถือความฝันไม่ถือลักษณะดีหรือชั่วผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นโทษแห่งการถือมงคลตื่นข่าวครอบงำกิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ในภพอันเป็นดุดขู่กั้นเสียได้ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาผู้คอยนับเลิกอยู่ประโยชน์เป็นตัวเริกของประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้ บุคคลประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นเรืด่ดีมงคลดีเป็นเช้าดีอรุณดีเป็นขณะดียามดีและเป็นอันได้ทำบูชาดีแล้วแด่บรรดาท่านผู้พรหมจารีชนแม้กายกรรมของเขาก็เป็นสิทธิโชควจีกรรมก็เป็นสิทธิโชคมโนกรรมก็เป็นสิทธิโชค ประนิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชคครั้นกระทำกรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธิโชคแล้วเขาย่อมได้ประสบแต่ผลที่มุ่งหมายอันเป็นสิทธิโชคพุทธพจน์เกี่ยวกับการลงมือทาไม่รอคอยความหวังจากการอ้อนวอนปรารถนาเช่นไม่ควรหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพอ้อฝันสิ่งที่ยังไม่มา สิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนขอให้ผู้นั้นครันเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นนั้นเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งเพราะว่าสำหรับพระยามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางพัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตยอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตมุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐ ดูกระคะเรหบดีทำห้าประการนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นของได้ยากในโลกคืออายุวันณนะสุขยศสวรรค์ทำห้าประการนี้เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มาเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนา ถ้าการได้ทำทั้งห้านี้จะมีได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาแล้วไซใครในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากอะไรดูกระกระหะ บ, บดีอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุยืนไม่พึงอ้อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุเพราะการอยากได้อายุนั้นเลยอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติ ที่จะเป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุอริยะสาวกนั้นย่อมเป็นผู้ได้อายุไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ผู้ปรารถนาวันณนะสุขยศสวรรค์ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อวันณนะสุยศสวรรค์ ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่หมั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิตถึงจะมีความปรารถนาว่าขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะเถิดดังนี้จิตของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะได้ก็หาไม่เหมือนไข่ไก่แดฟองก็ตามสิบฟองก็ตามสสองฟองก็ตามที่แม่ไก่ไม่นอนทับไม่กกไม่ฟัก ถึงแม้แม่ไก่จะมีความปรารถนาว่าขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากทําลายเปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากทําลายเปลือกไข่ออกมาได้ก็หาไม่พุทธพจน์เกี่ยวกับการไม่ถือชาติชั้นวันละถือความประพฤติเป็นประมาณเช่น ดูกรวาเสธะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโครกกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นศิลปินไม่ใช่พราหมณ์ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พราหมณ์ ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนรับใช้มิใช่พรามผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรมิใช่พรามผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชามิใช่พรามเราไม่ได้เรียกคนเป็นพราหมตามที่เกิดมาจากท้องมารดาผู้นั้นยังมีกิเลส เป็นแค่ศักว่าโพวาทีเราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสไม่มีความถือมั่นตั้หากว่าเป็นพราหมณ์หมายเหตุตามพระพุทธพจน์ว่าผู้นั้นยังมีกิเลสเป็นแค่ศักว่าโพวาทีนั้นเป็นธรรมเนียมพราหมณ์เรียกทักทายคนอื่นว่าโพสระโอพอสำเภาโพ ขอนำกลับเข้าสู่พุทธพจน์เกี่ยวกับการไม่ถือชาติชั้นวันณนะถือความประพฤติเป็นประมาณต่อไปอันนามและโคตรที่กําหนดตั้งกันไว้นี้เป็นสักว่าโวหารในโลกเพราะเกิดมีขึ้นตามคําเรียกขานที่กําหนดตั้งกันไว้ในคราวนั้นๆตามทิฏฐิอันนอนเนื่องอยู่ในหะไทยสิ้นกาลนานของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ก็พร่ำกล่าวว่า คนเป็นพรามเพราะชาติกาเนิดแต่บุคคลจะเป็นพราม์เพราะชาติก็หาไม่จะไม่ใช่พรามเพราะชาติก็หาไม่จะชื่อว่าเป็นพรามก็เพราะกรรมคือการงานอาชีพที่ทำไม่ใช่พรามก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรม เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นราชาก็เพราะกรรมบัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าโลกเป็นไปด้วยกรรมหมู่สัตว์เป็นไปด้วยกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กําลังเล่นไปฉะนั้น ดูกระพรามเราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าต่ำสามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวันณะใหญ่โตก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าต่ำสามเพราะความเป็นผู้มีวันณะใหญ่โตก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าประเสริฐ เพราะความเป็นผู้มีโคะมากมายก็หาไม่ได้เราจะเรียกคนว่าต่ำสามเพราะความเป็นผู้มีโคะมากก็หาไม่ได้แท้จริงบุคคลบางคนแม้เกิดในตระกูลสูงก็ยังเป็นผู้ชอบเข็นฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพเจรเป็นคนละโม คิดเบียดเบียนเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลไม่เป็นคนถ่อยสามเพราะชาติไม่เป็นพรามเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนถ่อยสามเพราะกรรมเป็นพรามเพราะกรรมคือการกระทำความประพฤติวันณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทยสูตรออกบทในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้ว ย่อมละนามและโคดเดิมเสียนับว่าเป็นสมณะสากยบุตรทั้งสิน้นบรรดาวันละทั้งสีน่นี้ผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นกิเลสสาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ตนจะต้องทำสำเร็จแล้วปรงภาระลงได้แล้วลุถึงประโยชน์ตนแล้วหมดเครื่องผูกมัดไว้ในภพแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบผู้นั้นแลเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าวันณะทั้งหมดนั้นพุทธพจน์เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง<ๆ>เช่นการเพียรพยายามเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่า จะเป็นที่พึ่งได้ด้วยตนที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละจะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทาคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย พุทธพจน์เกี่ยวกับข้อเตือนใจเพื่ออนาคตหญิงชายครืหัดบันไปชิตควรพิจารณาหนึ่งเืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม เราจากได้รับผลของกรรมนั้นถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าท่านจักทําหรือทําอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยทั ญ, ญชาติทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ธาตกรรมกร คนงานคนอาศัยพาเอาไปไม่ได้ทั้งสิ้นจะต้องถูกละทิ้งไว้ทั้งหมดแต่บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาเอากรรมนั้นไปอันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนดังเงาที่ติดตามตนฉะนั้น บุคคลควรทำความดีสั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้าความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปาราโลก